เมื่อมาลอยสุมแล้วก็คลื่นมาแล้วก็มีความวิตกกังวลก็หวาดกลัวเพราะนั้นเราจาเป็นต้องสร้างเรือคือใจของเราที่มีความมั่นคงความเข้มแข็งด้วยความสงบสงัดเดรัจฉาจของสติสัมผัสปัญญาให้เข้มแข็งให้ใหญ่เอาไว้เมื่อเกิดอะไรขึ้นสามารถตั้งรับได้สบายนั่ น, นคือเป้าหมายของเรานะเราจะเรียกว่ามรรคผลวิภานก็แล้วแต่แล้วมันจะป็นต้องเรียก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 ดังนั้นในช่วงช้านี้ทําความเข้าใจในเรื่องประโยชน์อ น, นิสงส์วิธีการขอ ง, ของวิธีการทําอย่างเนี้ยให้ชัดเจนเมื่อเข้าใจแล้วเราก็จะทําได้ดีนะแล้วไม่ลังเลไม่สงสัยแต่ได้ในช่วงที่ทําในะช่วงตรวตรวษที่เกิดความลังเลสงสัยอะไรขึ้นมาปั๊บก็ถามใดถามได้เลยนะหัวอาจารย์ไม่ว่าตมาอาจารย์โคปิตก็อยู่กไกล้อย่างนี้ก็มีอะไรก็